โชคดีโชคดีคือทำดีโชคไม่ดีคือทำไม่ดีเลิกดีก็คือทำดียามดีก็คือทำดีชวัส ด, ดีปีใหม่แต่ว่าใกล้จะตายกว่าปีกายนี่แต่มันปีเก่าของเขาที่มันมามันเวียนมานั่นเองแต่ต้องทำดีเลิกจึงจะดีดวงจึงจะดีดวงดีก็คือทำดี พระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้พาธท ร, รทำดีก็พระผู้เป็นเจ้าใจพาธรทำทำชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าใจสาพารมพระพุทธศาสนาสอนพระเจ้าใจเป็นของสําคัญว่าพระเจ้าใจของเธอทั้งหลายนั่นเองจงละชั่วทําดีเถิดพระบรมศาสนาสอนคําสอนแต่และอย่างละอย่างของพระพุทธศาสนามันเป็นเลิศคําสอน คำสอนใดๆในใจโลกธานุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเข้มทิศจะมีกี่ล้านล้านกระชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกน้าห้อยน้องคลองเบิงวางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดๆก็เป็นคำสอนไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยในรู้ตัวชั้นนั้นพระพุทธศาสนาปกครองโลกทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกมีอยู่สองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกวดหมูกวดพักกดพวกวพวก็ตั้งไม่อยู่ อูของทำไม่นําคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งเพิงเองอาศัยทําความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับเขาไม่ได้ทําในที่รับเลยทุกวันเนี้เขาทําในที่แจ้งเลยนั่นมันโลดผลไปอีกซ้ำเพราะเหตุใดจึงทําได้ก็เพราะไม่มียางอายตบบาบไม่มีความกลัวตบบาบนั่นเองถ้าหากว่าพวงโลกทั้งสิ้นมีศีนห่าบริบูรณ์แล้ว ธนาคารก็ไม่ต้องมีตำรวจไปเรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีถ้าชาวโลกมีศีลหาบริบูรณ์แล้วนั่นเราจะ ป, าประมาทประมาทคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้การชกรปรงในร่างกายมีการชกรปรงทางใจก็ต้องมีใจชกรปรงจะเอาอะไรมาล่าก็คือเอาความดีนั่นเองมาล่างความดีคืออะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มี สีนสมาธิปัญญาสำหรับล่าความดีสำหรับล่ า, า, ส, ลาสิ่งทกปกโสมมออกกากสกุลละใจสกลละกายก็คือน้ำคือสบู่นัน่ที่รอกทั้งหลายก็ต้องมีคุณหมอโรค ก, กายโรคใจก็ต้องมีธรรมวิในเป็นเครื่องบำบัดนั่นเยอะแยะอ่อานนังสือมาซิหสืเ อ, อเรียนระมาดูดูดูดูดููดดดดด เง อ, อเขาแก้ควาผิดหมดแล้วไง น, นี่มันผิดนี่มันผิดแถวนี้เขาแก้หมดแล้วีงมีผิดสามตัวนี่ด้านในไม่ไม่ผิดนี่เออว่าด้านหลังเท่านี้นผิดสามตัวเราเคารพพระพุทธศาสนาก็เคารพนะักเหยียดประเทศข้าบ้านเมืองของเราไว้บ้างแม้เขาจะทำ ในประเทศอื่นก็ขอให้เป็นเรื่องของเราืะอออของเขาจัะเราจะเห็นแก่อามิตรภายอนอกก็ท้ายกับว่าเราพาประเทศอื่นมาดูหมิน่นการริษัทพิธีของพุทธของเราแม้ยิ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยิ่งไม่มีประตูแก้แล้วก็หน้าผู้แรก ขาวพุทธที่ส่งเสริมการมารมเป็นสละนางคัาศานิาไ้ไว้เป็นมรดกลูกหลานแทงที่จะวางมรดกการมาลมให้บรรเทาอดีตเวียนคืนมาเป็นอนาคตหรือไม่ถามเพราะเหตุใดหนออันนี้ถามนะอมตอบอดีตไม่ได้เวียนมาเป็นอนาคตเลยเมื่อล่วงไปเป็นการล่วงไปถาม ปัจจุบันกลายไปเป็นอดีตไหมเหล่าพอเราบัญญัติว่าปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปซึ่งหน้าใช่ไหมเหล่าจงอธิบายให้รับ ด, ด้วยตอบปัจจุบันก็ต้องปัจจุบันตามเคยหาได้ล่วงไปเป็นอดีตไม่และไม่ได้เวียนมาเป็นอนาคตเลยที่เข้าใจว่าเวียนมาเป็นอนาคตนั้นก็เพราะสติปัญญาเห็นแบบขึ้นๆดอกถาม ถ้าปัญญาและสะติแข็งแกร่งแล้วก็จับเอาทำปัจจุบันเป็นตัวเรียนสมาธิปัญญากลมเกลืนกันเป็นใจศึกษาใช่ไหมตอบถูกแล้วก็วจะรู้แจ้งแจ้งตลอดททแทงแขงแทงตลอดตอนไหนไหนก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตทำอดีต ไม่ใช่จิตอนาคตทำอนาคตเลยแร้วล่วงไปแล้วยังไม่มาถึงมีแต่บัญชีปัจจุบันเรามีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินถามในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราจะตรวจนางงามชาย ง, งามแล้วเราจะตรวจแบบใดจึงจะสมภูมิกับพุทธมามะกะับและก็ไม่ต้อง เรียกท่านวันนักเลยก็คงใช้ได้เป็นทำแล้วต่อท่านผู้สําเร็จพระอรหันต์เป็นชายงามหญิงงามเหนือโลกเหนือจักรวาลเป็นชายงามชั้นที่หนึ่งพระอนาคามีเป็นชั้นที่สองพระสกัดนาคามีเป็นชั้นที่สาพระโสดาบันเป็นชั้นที่สี่นับทั้งขณะท่านทรงมัดอยู่แต่ละมัดด้วยส่วนวไว้นุ่มแก้ว ปานกลารหรือชั้นวนนัะนั้นดังกล่าวแล้วนั้นจำพวกท่านเหล่านี้แหละเป็นชายงามเป็นหญิงงามแท้จำพวนี้ลงมางามบำรุงราคะมานเป็นกำลังขักษานี้เมื่อเห็นชาวโลกส่งเสริมกันไปแบบนี้แล้วก็หมดปัญหาว่าจะว่าจะทิ้ใจไปอย่างไรอีกในธรรมะมนุษย์เต็มภูมแห่งกายแล้ว ส่วนใจนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอีกถามปัจจุบันเล่ามีคุณค่าเสมอกันหมดหรือไม่อธิบายให้ทัดตอบปัจจุบันต้องโตมไม่เกี่ยวกับรูปขันนามนานนขันทั้งเป็นปัจจุบันต้องโตมเช่นสังฐาน ล, วนลวน้วนๆก็จรงอยู่ในวงแขนของใจรัจดเสมอค่า ก, กันไม่มีการวันกันคืนไม่นิยมการไม่นิย ม, มเวลาส่วนพระมิพานทั้ง ปูปา ล, ลปาที่เสสสักนิพพานและอนุปปาทิเสจะนิพพานเล่าก็จิอยู่ไม่มีกลางวัน ม, มีกลางคืนด้วยและก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยไม่ว่าแต่เท่านี้นะสังขารทำทั้งทว ง, งเล่าก็ไม่เป็นเมืองขึ้นของอดีตอนาคตและปัจจุบันเล่ามีหน้าที่เกิดดับก็เกิดดับอยู่ตามอริยสัจฝ่ายทุกข์ด้วย แม้จะละเหียดอยากวานิไกใกล้นอกในขนาดใดก็ตามก็เกิดแปรดับอยู่ตามอิสระของสังขาร อ, อยู่หาระหว่างไม่ได้เกิดก็หาเราวางไม่ได้แปรก็หาระหว่างไม่ได้ดับก็หาระหว่างไม่ได้ดไไดจิดกันเป็นพืชเป็นสันต ติดพื้นอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่รู้อันไม่เกิดดับก็เช่นกันที่เรียกว่าทำอันเป็นอันไม่แปรดับนิจฺจการทำถามการตรงเสริมกันเป็นเดียวพระพุทธศาสนาจนไม่มีขอบเขตแล้วจะให้พระภูมิพระภาเก้าววงใดเาสนาก็คงเผยไม่ขึ้นพระพุทธศาสนากล่าวยืนยันว่า ผู้หนักในลาคะไฟจะไหม่ทั้งเป็นหนักในโทจักน้ําจะท่วงหนักในโมหะลงจะพัดจะชิ้นหายด้วยไฟน้ําลงดังกล่าวแล้วนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผลเอกประจําโลกทุกยุคสมัยแล้วความเห็นและรู้และเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ถูกตามเป็นจริงของธรรมแท้หรือไม่หรือหากว่าปวดดีเกินไปซะแล้ว ตอถูกแล้วเทวธรรมเชอธรรมเอ๋ยนะ่ะเทวธรรมเอ๋ยพ่อดีแม่ดีปูท่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดปูย่ย่าตายายมิตรสหายครูอาจารย์ดีที่ดีน้องดีทั้งหลายเหล่านี้ตอนไหนทําดีก็ส่งเสริมตอนไหนทํำชั่วก็ติดกันจึงจะเป็นน้ำํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ได้ไม่ใช่ว่าจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าว่าสันเสริญรับหนังตั้งอินชาใช้ไม่ได้พุทธะโอว่าถามถามอีกว่าถามอีกก่อนเพราะยังไม่ละเอียดอดีตอนาคตปัจจุบันที่เกี่ยวกับมรรคและผลไปเป็นเอกเทศ ก็ต้องมียิ่งย่อนกว่าการตามขั้นของธรรมะและสติปัญญาของสติและธรรมเพราะเหตุใดอธิบายให้ละเอียดอย่าตอบย่อตอบเป็นพีฆะตพิฆาพิฆาตแปลว่ายาวตอบปัจจุบันเอ้าปัจจุบันของโลกีเช่นนักมวยมันระวังปัจจุบันปัจจุบันของโสดาจกักกะพาคนาพาอรหัง พ, พักปัดเจกาบไ ป, ไปพักสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีธรรมยิ่งหย่อนกว่ากันตลอดทั้งรดค่าของธรรมนั้นนั้น ม, มีสิทขององค์ท่านแต่ละท่านแต่ละท่านจะรู้เองเป็นปัจจัดตังเฉพาะตนทั้งนั้นถามข้าข้าพบพบมีคุณบ้างหรือไม่ลองตอบมาพอสังเกตก็พอตอบ ข้าพบที่เป็นโลกพีซัาฟาพักตุปันโนโลงมาเป็นทุกข์มากเพราะเป็นคบข้าชื่อวนเวียนยังไม่ข้ามสุติุชนเพราะยังไม่น่านอนในทางที่จะบานหน้าไปทางคนทุกข์ได้โดยง่ายถามถาพระอรหันต์มองเห็นข้าพบเป็นประการใดบ้างหนอแลตอบมองเห็นว่าเราได้ข้าม ความหลงมาด้วยพักมหาปัญญาพักมหาสัมมาวิมุตติพักมหาสัมมายาคัพอันของแท้โดยชื่งเชิงแล้วเป็นมหาวิมุตติเป็นมหายานอันไม่กำเริกและก็ไม่มีเชื้อความหลงอันละเอียดเชี่วอยู่ถามใจเป็นโลกและเป็นจักรวาลได้หรือไม่หนอเพราะอะไรตอบเป็นได้ เพราะเหตุว่าใจเป็นนามธรรมโดยตรงๆอยู่แล้วย่อมอยู่ใต้ใจรักแต่ถ้าทำถูกข้อปฏิบัติของพระพุทธศาสนาชั้นจุปัตติปันโลก็ลงโปไปพัดนิทานไม่ต้องสงสัยเพราะได้ดวงประทีปคือปัญญาทันเป็นโลกุตลักปัญญาแล้วเป็นปัญญาก้าวหน้าจะมีท่านคู่ให้คะแนนหรือไม่ ให้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยอริยสัตว์ในชั้นนี้ไม่ปรายลบอีกก็จริงิีกจะจะทำถามสิ่งที่ชาวโลกนิยมเป็นธรรมไปทุกประการหรือไม่ตอบบางอย่างก็เป็นธรรมบางอย่างก็ไม่เป็นธรรมเลยเช่นนุ่งน้อยผมน้อยจนเลยเถิดแล้วเลยกลายเป็นนามกไม่นามกไปไม่เป็นที่นิยมของพระพุทธศาสนาแต่นิดเดียวถามถ้าหากว่าบรรดา นิยมในการนุ่งน้อยห่มน้อยเป็นของสวยงามส่งเสริมกองคนลาครับแล้วจะบานหน้าไปในทางอะไรบ้างจงอธิบายไม่ให้หนูธรรมะตอบบานหน้าไปในทางนิยมชมชอบว่าการไม่นุ่งห่มเลยเป็นการไม่ซึ่งเปลืองดีเหมือนโคและม้าเป็นต้น3 ถ, ถามต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นมนุษย์ของเราจะปิดกับตัดในรัชฐานตอนใดละ่ะ หรือช่างหัวมันสมมุติเฉยๆดอกมันก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นโยนีและคงครับข้าดอกพวกเราไปใส่ชื่อดูนามให้มันเฉยๆดอกนะกอสมมุติก็จริงแต่มนุษย์และสัตว์ยุคเทวดามันคมที่ยังไม่พ้นจากเนตุโดยที่เชิเป็นเวียรไทยแกกันและกันอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาฝังอยู่ในหัวใจตลอด ทั้งค่าฟันกันต่างๆนานาเดือดร้อนวุ่นวายกันจนไม่มีกรรมการจะแก้ไขได้ให้บาลังลงได้ก็เพราะไม่รู้แจ้งด้วยไม่รู้เข้าสมมุติด้วยใช่หรือไม่ถ้าตอบตามแพ้ไม่ลำเอียงก็ต้องว่าใช่ถามถ้าเราไม่สําคัญตัวว่าความรู้ความคุ้นฟืดของเราเหนือพระพุทธศาสานาแล้วการเขานะ้ารับัก พุทธศาสนาก็ฝังลงฝ่าสิ่งใดในสักรใจโลกในสักรใโลกาถอนไม่ออกการปฏิบัติเขาพุทธศาสนาก็ไม่ลังเลและไม่สมเดาไม่หนักใจพร้อมทั้งเป็นศีลสมาธิปัญญาตรงตืนกันไปในตัวใช่หรือไม่ตอบใช่แล้วดีมากเพราะจะดีกข้าวหน้าไปในทางโลกุตตรละดี เป็นใจศีรษาเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีจา ว, วดามารคมตามจะมาถอนออกจากใจได้ซับในใจลงกระฆาที่เป็นวัตถุนิยมอันบริสุทธิ์หรืออุดมคติอันบริสุทธิ์ <c oughs> ก็ไหลฝังรูที่ดวงใจและไม่ต้องร้องเรียกหาและก็ไม่ต้องสงสัยว่าซับของเราหายไปไหน การเป็นนิ่เป็นศิลป์ตัวเองและการเป็ น, นีิ่เป็นศิลของพระพุทธศาสนาก็กนะ้าวหน้าจากจบถามอาหารใจคืออารมณ์ของผู้เคารพรักปฏิบัติพระพุทธศาสนานี้เป็นไปในส่วนกุศลเป็นโคจรส่วนมากนะตอบเออถูกแล้วรับจิตใจเจตนาใจโอนไปเอ็นไปในพระพุทธศาสนามันเป็นใจทิพทํางทิพ ถิมีกำลังพอที่จะต่อสู้กับสิเลสไปเป็นขั้นๆแล้วถามใจจินธรรมะของพระพุทธศาสนาแล้วไม่ค่อยจะเป็นอารมณ์ไปในทางร้อนนะแม้ถึงจะร้อนก็มีวิธีแก้เพราะได้เคยได้ฝึกลือมาบ้างแล้วไม่ถึงกับนับสิทไม่ลุกนะตอบถูกแล้วถูกจริงๆไม่ได้อนุโมทนาแค่ลำพานดอก ถามสัพสพโลกทั้งพวงเป็นสมบัติของท่านผู้ใดล่ะตอบให้ลึกซึ้งและพร้อมเหตุผลให้เพียงพอด้วยตอบถ้าจะตอบตามกิเลสของผู้เขียนแล้วก็คือสิ่งที่ภาคพลทหารทั้งพวงได้ปล่อยทิ้งไปแล้วจะเป็นสมบัติของท่านผู้ใดนั้นก็แล้วแต่กิเลสของท่านผู้นั้นจะไปยึดถือเอาน้อยและมากตามกิเลสของเจ้าตัวแต่ละลายเป็นเอ็นแต่ความที่แล้ว คงไม่ได้สมหมายแม้แต่กับรูปเดียวนามเดียวเลยถ้าหากว่าได้สมหมายแล้วทักอรหันทั้งหลายมากกว่าเม็ดหินเม็ดกาย4มหาสมุทรก็คงไม่ปล่อยทิ้งเหมือนบ้วนน้าลายออกจากปากแต่ทิ้งปล่อยไปไม่หลงมิตไว้ก็เพราะรู้ชัดเห็นชัดปฏิบัติชัดว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่อยู่ในวงแขนของตั้ทุเรศเลยถูก ข, ขาดแล้วแต่หลายพระปัญญาชนักความหลงแตกกระเจิงไปหมดแล้วขอนลากและโขนเรียบแล้วไม่มีหน้าที่จะรวมคนหลงอีกเลยชนักสคงครามล้างร้างโลกทุกทุกโลกทุกทุกรณีทุกทุกจักรวาลถามถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับว่า จับพัดไตโลกธาตุและจับพัดไตจักรวาลเป็นน้ำลายของพระอรหันต์ที่บ้วนทิ้งแล้วตอบถูกแล้วระสงไขระสงไขเปอร์เซนต์อันไม่มีประมาณเลยถามนอกจากลัทธิพระพุทธศาสนาแล้วพระอรหันต์จะมีไหมตอบแต่พระสุปันโนก็ไม่มีแล้วพระสามีจิตจัก มีมาจากไหนถามพูดเข้าข้างตัวนราเกิดมากตอบไม่เข้าข้างดอกถามพันธุ์พานหวังอะไรบ้างหรือหากว่าหวังพันุ์านตอบไม่มีการรับไม่มีการปฏิเสธไม่เขียนไม่ลบไม่ยีนยันว่าสูงและไม่สูงไม่ยืนยันไลยเลยทั้งสิ้นและก็ไม่สำคัญว่าตั้งดู แต่ทำอันเป็นจริงมีอยู่จบอยู่ไม่สูญเลยเถิไม่เป็นหน้าที่ผู้รู้จะว่าถ้าไม่เป็นของภ้าคะแนเนาดาได้เราไ ด, ดถามข้อนี้ได้ปาลารกสซ้ำๆากเหมือนกับว่าโนโมหรือลมหายใจเข้าออกเพราะผู้เขียนเข้าใจว่าคงไม่มีชาวโลกเป็นส่วนมากเอามาคิดให้ละเอียดเพราะ ชาวโลกรงไม่เป็นบ้างอารมณ์เหมือนผู้เขียนผู้เขียนมีความเหม็นพิจาราาว่าพุทธสี่จําพวกก็ว่าพระอรหันต์สีจ่จำพวกมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าอรหันต์พระสาวกสาวิกาอรหันต์และก็คงมากกว่า อสงไขย์อสงไขยพระองค์เพราะเหค์ว่าใจรักกับใจรักกันกอมากกว่าอสงไขยอสงไขยกับแล้ ว, ล ว, ลวนักกับพะไตโลกาเอ๋ยแล้วทีนี้กับวัตถุนิยมและสับพระอุดมสติในสับพะไตรโลภะและสับพะไตจักรวาลถ้าจะว่าเป็นบุคลาพิษฐานแล้ว เป็นเรื่องเป็นเมืองขึ้นของพระอราหันต์สีจ่จำพวกพระอราหันต์สีจ่จำพวกดังกล่าวมาภิดษะดั้นย่อมกายเป็นธรรมท่านไม่ตายไหลขึ้นพูนถวายบูชาพระมหาพนุปปาทิเตจัดนิพพานแบบเต็มภูมิไม่มีประมาณี่เลกผู้เขียนย่อมหนักลงไปแบบนี้หอนไม่ออกและก็มอบให้เป็นอนัตตา กถามหากถาท่านไม่มีประมาณสักจะกล่าวตูว่ามหาอุปาทานไม่มีประมาณนั้นผู้เขียนไม่ยอมรับเลยและยังกล่าวต่อไปให้พิสดาลว่าวัตถุนิยมและอุญลมขติตนานาสัพไตโลกาและนานาสัพไตจักรวาลก็ดีย่อมเป็นของทูลถวายพระพุทธศาสน า, า, า, า, า, าอยู่ในตัวแบบชาวโลกไม่รู้ตัวทั้งนั้น แม้ชาวจักรวาลเล่าก็คงไม่รู้ตัวอีกแม้เข้มคิดจะรู้ตัวหรือไม่ก็ ต, ตามก็ชี้เป็นทางที่เหื่อยดูหาระหว่างไม่ได้ทันใดก็ดีกับพระไตโลกแก่ก็ดีกับพระไตจักรวาลก็ดีก็เป็นเงือนขึ้นขอ ง, ของพระพุทธศาสนาทั้งนั้น ไม่รู้อีก็กิงอีกตามธรรมชาติและอริยสั์อัน์ลึกซึ้งแห่งคำทำมห้กองแปลงเลยเอ้าเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำนึงได้หลายทางน้ำบ้วยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวนั้นฉันใดคำสอนใดๆในสัพไตยโลกาก็ไหลลงสู่คำสอนของพระพุทธศาสนา แบบธน า, าพาเผยโดยไม่รู้ฉันนั้นไม่ปราถนาอีกก็จริงไม่ปา ร, รบอีกไม่ปา ร, รบอีกก็จริงอีกนะแค้์พระท่านเกยและก็หวังว่าชาวพุทธพระศาสนาคงรู้ดีพอแล้วพร้อมทั้งไม่สงสัยทางแกงอะไรเลยเพราะได้เคารพรักมานานและก็มีเหตุผลทางโลกุตละเป็นภูมิแล้วไม่สงสัยเลย และข้อ น, นี้ก็เป็นคำถามและคำตอบในตัวแบบเรียบแล้วไม่เป็นหน้าที่ที่จะมีการตอบในข้อนี้อีกด้วยถามสิ่งใดที่เปนเพียวพระพุทธศาสนา้าวโลกเป็นส่วนมากย่อมสม ว, วนเอาไว้ใช้เป็นของสนุกให้ผลอย่างไรตอบให้ผลตามส่วนควนค้าของเหตุที่สร้างขึ้นน้อยและมากไปในทางเสื่อมต่อหน้าต่อตา กับิเสธก็ไม่ได้เลยเป็นอันขาดแต่ต้องเป็นผู้ไม่มีอคติหรือไม่มีอคติคือไม่ลำเอียงเลยหรือทํำฝ่ายผลิตเป็นเกณฑ์เคารพทำเหนือทมิตรถ้าเคารพอำมิตรเหนือทำแล้วก็เป็นปัญหาโลกแตปัญหาโลกแตกยุ่งเหยิงทุกมุมโลกอยู่ทุกมุมโลก ก็เพะเ อ, อ, อาลบเลสเป็นนายหน้าของใจให้พาไปถามคําสอนของพระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยบรรลุสมบัติเวันสมบัติตรง ส, ส, สมบัตินิพานสมบัติใช่ไหมละ่ะตอบใช่แล้วไม่เป็นหน้าที่ของชาวโลกจะไปเจาะหาคําสอนใดๆให้ละเอียดและดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาไปได้เลยเป็นอันขาดแต่ว่าคําสอนของพระพุทธศาสนา ปกครองโลกก็ถูกดังแต่เห็นได้ในคำวิภากย่ำหนึ่งหมวดสองข้อความว่าทําเป็นโลกกบาลคุ้มครองโลกมีอยู่สองอย่างหนึ่งพิริวามมละอายต่อบาปความละอายหนึ่งพิรความละอายต่อบาปพุทธผลิตสโอสะปักวามสะดุ้งรัวต่อบาปพุทธผลิต นีนี้คือทำปกคองโรคหรือปกคองหัวใจของม น, นุษย์และเทวดามาตรมถ้าไม่มีาายางไงสองข้อตรงอยู่เบอเบอถาถ้าใช่อย่างนั้นผู้ต้องการุนษณาธ ร, รมะก็มียุทธาก่อนเอ า, เอ า, เอาละทำนี่ข้อนี้เอ้าใครจะพูดอะไรก็พูดมาสะเออใครจะถามเรื่องธรรมะการหลวงปู่ าามมาก็ถามมาซิคก็ถามหลวงปู่ท่านยืนยนตอบการทาบุญการทำบุญเราตรวจหน้าใจของเราแล้วถ้ามาตรวจหน้ามัจะคเอาหน้าเป็นพยานเวลารับข้าวอยากทำบุญใจพระข้าพมัเจ้าก็นำใจใจดีนันหน้าเมื่อเวลาทาแล้วก็เหมือนกันเวลากาลังทาอยู่ปุันทร์เห็นหน้าดีเรื่องหน้าลงเป็นมาลงเป็นเวลา เราทําบาปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องหยาดหน้าให้มันเป็นบาปมันทําไมมันจึงเป็นเราทําบุญก็ไม่ต้องหยาดน้าให้มันเป็นบุญมันเป็นเองมันเราลืมตาก็ไม่มีใครหยาดน้าให้มันเห็น น, นเรามืดอตกไม่มีใครหยาดน้าให้มันเมื่อที่เราหยาดน้ําก็ทําเพื่อเป็นพยานเฉยๆดอกเพื่อเป็นความแยบคายเพื่อเป็นพยานเฉยๆไอ้ที่แท้เราทําดีมันก็ดีอยู่แล้ว เหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุนึกผลก็นึกเหตุคิดผลก็คิดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุเป็นบุญผลก็เป็นบุญเหตุเป็นบาปผลก็ต้องเป็นบาปเหตุชิบหายผลก็ต้องชิบหายเช่นอบายยมุกเป็นต้นเหตุมันชิบหายแล้วจะไปเหนียวเ่าะจะไปเหนียวเวียงวอนให้มันเป็นเหตุทางเจริญมันก็ไม่เจริญนะมันไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นของพวกเราที่มีกิเลส ถ้าอย่างนั้นถ้าเดินจกรมก็ต้องพลายกระบอกน้ามไปเดินไปก็ห <c oughs> ยาดน้าไปเป็น <c oughs> อย่างนั้นแต่คนทั้งหลายมันเข้าใจผิเดเฉยๆหรอกเราทําบาปก็ไม่เห็นหยาดน้ามให้มันเป็นบาปเราทําบุญก็ไม่ต้องหยาดน้ามให้ันเป็นบุญก็ได้แต่จะหยาดก็ได้แต่ไม่สงสัยหยาดก็ไม่สงสัยไม่หยาดก็ไม่สงสัยให้นึกอย่างนี้ พุทโธธรรมโอสังโฆนิพพานังเรากราบไหว้เหมือนกันกราบสามเที่ก็เหมือนกันกราบครั้งที่หนึ่งพุทโธกราบครั้งที่สองธรรมโมกราบที่สัามสังโฆแล้วก็ยกขึ้นใส่หัวบอกว่านิพพานังเพื่อคนทุกนา้นาทั้งสารไม่ได้กราบเพื่ออวจจตเกไม่ได้กราบเพื่อหลอกกินขนมใครเราก็พูดอย่างนี้เราตอบเรา <c oughs> ถูกไหมบางท่านกราบทำอย่างนี้ดวนไปอะไรตายแท้ <c oughs> ไ้กาบไปแล้วทําอย่างนี้เดไปเลยนี่นาทีมอบลงแล้วก็ทำอย่างนี้เดีไปเลยมันมาก่าเกินไปอจะประกาบอย่างนั้นพอบคนณหนูจะประกราบอย่างนั้นมันไม่ได้บุญมากกาบยกกาบให้ดีๆให้งามๆแล้วเขายกขึ้นเพื่อคนทุกข์นวะว่าตาสงสารว่าอย่างนั้นเนาะไม่ได้หวังเพื่อมาเกิดแก่แคบตายเองมีมดในหนังสือหลวงปู่เนี่ยออใครเก่งเอาประวัติของหลวงปู่ไปอ่านน้าตาไม่ไหลแล้วมันเก่งไรได้เติบละ่ะ ถ้าเราอุทิศถึงมันก็ถึงถ้าเราไม่อุทิศมันก็ไม่ถึงมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราอุทิศแต่ถ้าหากว่าท่านไปเมืองสวรรค์แล้วท่านก็ไม่ได้รับเพราะเมืองสวรรค์มันสวยผลบุญแล้วถ้าท่านไปในนรกท่านก็ไม่ได้รับถ้าท่านไปเป็นเปรตซัมภเวสีอยู่นั้นท่านได้รับมีเปรตจำพวกเดียวได้รับอา น, นิสงส์ที่ไปเป็นสัตว์เครื่อาดก็ไม่ได้รับนั่นมันเป็นวัด เ็นวัดคัดจมูกถามอะไรมาอีกตอบจุใจไหมน่อตอบไปไจุไหมจุใจไหมตอบอเมื่อกี้นี่ฮ ะ, ะดุญ ท, ญที่บุญที่ได้กุศลสูงสุดกว่าเพื่อนสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติให้อะไรเป็นทานก็มาให้เทา่าเท่าให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานชนะทานเถ้าปูอ เช่นเราสั่งสอนลูกของเราให้ไปในทางสุจริบก็เรียกว่าธรรมทานเหมือนกันสู๋สู๋ยาไปเป็นเจโกเจเกเนออย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมทานเหมือนกันสู๋สู๋ยาไปดื่มสุรามีอะไรเนอรอย่างนี้ก็เป็นธรรมทานเหมือนกันสู๋สูจงประพฤติให้ดีเนอร์ลูกๆเออเลยๆล้านๆเออเออย่างนี้แล้วก็บอกเขาให้ให้เขาไปในประพฤติทางนี้เขาเรียกว่าธรรมทานเหมือนกันธรรมทานเรื่องสูงไปกว่านั่งก็สอนให้เขาเบื่อหน่ายใครเมาในวัดตาสงสารน่ะยิ่งเป็นทานใหญ่นะ เข้าใจเลยนะทีนี่อะไรเอินี่ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายนะผู้ชายขี้โรมากไม่มีใครถามอันนี้ชาตนี่เองรับชาตนี่เองก็ได้นั่นก็ได้เหมือนกันโอ้ คุณหนูจะไปเอาคนตาบอด ก, กับคนตาดีมาพูดกับกันมันก็จะรู้อะไรเพราะทานไม่มีมันก็ไม่บริบูรณ์นี่หมายความว่าศาสนาใดๆในต่โลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธหมดพระโสดาบันพระสะกทาคามีพระ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 ในเมืองกุศินารามีพระองค์หนึ่งเป็นพระหรหันต์ประกาบทูลองค์ท่านว่าพระหรหันต์องค์นั้นบวชในวันนั้นก็สําเร็จพระหรหันต์ในวันนั้นในวันสุดท้ายที่พระบรมศาสีราเรียกว่าสุพัทธะผู้บวชก่อนหมูลเรียกว่าโกนธัญะองค์นั้นสําเร็จพระหรหันต์ก่อนเพื่อนผู้บวชที่หลังก็คือสุพัทธะบวชในวันที่พระบรมศาสี า, าจะสิ้นลมปาณในตอนกลางคืนนั่นเอง ตอนเช้ามาพระโรมรสาสดาก็สิ้นลมปาณในวันนั้นพอเอสร็จสมเร็จพระรหา์แรกก็กราบทูลพระโรมศสซาสดาว่าเออศาสนะาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยัญญะวิธีของเขาเขาจะถึงพระสวยสดาบันสักทาคามีอนาคาเมีบ้างหรือไม่พระเจ้าค่า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 ไม่มีศาสนาพุทธเป็นเมืองขึ้นเป็นศาสนาประจำโลกทุกยุคทุ ก, ทกสมัยศาสนาพุทธพูดเต็มปากเลยไม่พมาม ด, ม ด, ดวนว่าเออใช่าจางนั้นก็เอาวย อ, อยากได้ไหายอยากได้ถ้าได้ไหายวัดนวหน่พวกอยากให้พวกอยากให้พวกกรุงเทพเราเอาไปลหลายๆน่ เออเอาไปเอาไปมากๆก็ได้เนอะเออนั่นละเขาจะอ่านได้ไหมเรคุณหนูเชนเขาฟังเนอะอ่สิ่งที่ไม่ควรพูดอะาไปพูดเนอะเดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้จินงเข้าเนะไปอยู่ประเทศเขา ภาวนาก็คือฟังเท ศ, ฟ, เทศฟังเทศก็คือภาวนาคนจะมีมากัะเพียงไหนก็ตามก็มีแต่ทาตสีน้ำไฟลมนั่นเองจะมีเขียรานก็ตามก็คือทาตุสีน้ำไฟลมมีแต่รูกกับน้ำนั่นะวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทำความดีอะไรบ้างการก็ให้รู้จักตนเองวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจของเรา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 ถึงจะมีบาปมาประปนบ้างก็มีประตูแก้ที่ใจไม่เรื่อมใสพระพุทธศาสนามันหมดหนทางอะถ้ามันเรื่อมใสในพระพุทธศาสนามีอยู่ว่างแล้วมันก็ไม่หมดทนทางผู้เรื่อมใสพระพุทธศาสนาก็คือใจเป็นผู้เรื่อมใสผู้ไม่เรื่อมใสก็คือใจเป็นผู้ไม่เรื่อมใสทำไมจึงเรื่อมใสพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีดีอะไรว่าง พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่เป็นโลกุตละศาสนาไม่ใช่โลกีเหตุฉนั้นจึงเคารพรับถือพระไม่หนักไปในทางวัตถุนิยมฝ่ายเดียวหนักไปในทางอุดมคติมากกว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมจีวรมินทบาทเสนาสนะและเพศัที่ให้อาศัยว่าอาศัยเพื่อปฏิบัติตัวคนทุกขท่านั้นไม่ได้อาศัยเพื่อจะเป็น ไปเหเป็นผีมาเฝ้าอยู่ในวัฏจักรสงสา ร, รนี่พระพุทธศาสนามีความหมายอย่างนั้นอาศัยจีวาเมินทบาทเชนารานะอาศัยวัตถุนิยมเพื่อแรกเอาอาดมคติเมื่อวัดมีวั ต, วตถุนิยมมาพอได้อาศัยแล้วก็จะรีบเร่งปฏิบัติเพื่อบรรลุกนวัฏจักรสงสา ร, รคืออารมคติมีทานวัดศีรวัดภาวนาวัดเป็นต้นทางที่เดินออกไปจากโลก ถ้าว่าเป็นสามก็มีทานสีนภาวนาวย่นลงมามีทานสินภาวนากิเลสก็มีสามสิ่งที่จะต่อสู้กิเลสก็มีสามทานวัตรไปต่อสู้กับความตนีเนี้ยแ น, น่สีละวัตไปต่อสู้กับความโหดได้ความฆ่าความแกงหรือความเบียดเบียนภาวนาวัตไปต่อสู้กับกิเลส ละเอียดที่นอนอยู่เนื้อนเนืองในคันธัศนดาลใครเป็นผู้ประเสริฐก็ไม่เหนเพราะพุทธระธรรมประสงค์นะเพราะพุทธศาสนาจะปกครองกันด้วยวิธีใดก็ตามถ้าไม่มียางอายตาว่าแล้วมันไปไม่รอดเหมือนกันแหะถ้ามียางอายตาว่าแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปเป็น พระมีพระพุทธธรรมประสงค์ตามรักษาจิตอยู่ถ้าไม่มีละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่รักษาจิตใจของเราพระพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่ใจไม่ได้ทรงอยู่ที่อื่นทรงในพระพุทธลูกของพระพุทธลูกเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้จิตใจระนึกถึงผลที่สุดมันก็อยู่กับใจเองอยู่ในหนังสือก็ใจเป็นผู้ไปอ่านพุทโธ ที่อยู่ในหนังสือก็เป็นตัวพอเป็นพุทธเป็นโทไปเขียนตัวหนังสือเฉยแต่พุทธโทอยู่ที่ใจธรรมโอก็อยู่ที่ใจสังโฆก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจถ้าใจทำดีชั่วก็อยู่ที่ใจถ้าใจทําชั่วพราะผู้บัญญัติดีชั่วก็ใจเป็นผู้เป็นผู้บัญญัติผู้จะทําเข้าใจเป็นผู้ประธรรมผู้เคารพนักถือพระพุทธประทมประสงค์ก็ใจเป็นผู้เคารพถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจ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 พระพุทธศาสนาขณะเดียวสนใจในในโลกาก็ไม่เท่าสนใจในทางพุทธศาสนาขณะกิดเดียวอดทนอันในโลกาไม่เท่าอดทนในทางพุทธศาสนาขณะกิดเดียวคุณว่าพุทธศาสนามีมากไหมไม่มีที่อยู่เอาทรัพย์ไต่โลกธาตุมาเทียบก็ไม่มีที่จะเทียบมีมากเกินไปไม่มีประมาณ จะเลือถึงอยู่กี่รั้นปีมันก็ไม่จบจะย่นลงมาก็ไม่มีที่จะย่นเพราะบัญญัติเลี่ยนแล้วทั้งไตสักวานด้วยทั้งไตโลกธาตุด้วยมองไปข้างไหนก็เป็นคุณพระพุชธพระธําพระสงฆ์หมดเสมอกันเหมือนหน้ากรองเลยมองดูไฟก็เป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มองดูกุฏิวิหารพระกลุ่มขพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มองดูที่เรานั่งเรานั่งอยู่ก็เป็นคนขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เราอมอยู่นั่นก็เป็นคุณของพระธรรมปรสงค์เขาเห็นเกียรหน้าค่าซื้อพระธรรมประสงค์เขาก็มาให้ก็ได้ออมเอาให้ลูกข้ารานอมด้วยแล้วนุ่งกางเกงโน่งเสื้อนองผ้าก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนให้นุ่งบริมนารังในวาเสดทราบมีติสิขากรณียาให้นุ่งเป็นปริมณฑลทางเหนือทางสูงเหนือสะดือ ข้างล่างเพียงเครื่องแข้งนุ่งผ้าบงเธอท่านหลายจงนุ่มน้อยรุ่มน้อยหอมน้อยพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่มีเฉพวกครีบาร์มาสอนกัน <c oughs> นางงามนางสาพระพุทธศาสนาก็คือพระอรหันต์เป็นนางงามขั้นที่หนึ่งชายงามก็เหมือนกันจะหัวงอกแก้มตอบฟันหักก็าตามจะเป็นเด็ก อายุเกตขวบกว็าตามก็เรียกว่าชายงามเย็นเด็กเด็กงามเ ย, ย็น ง, งามถ้าถึงพระรหัน์เป็นชั้นที่หนึ่งนี่ไม่นิยมชั้นวันละเลยชาวไร่ชาวนาคนไปขอทานก็าตามถ้าถึงพระรหัน์แล้วก็เรียกว่านางงามชายงามละชั้นที่สองลงมาก็คือพระอนาคาเมชั้นที่สามก็คือพระสกทาคาเมชั้นที่สี่ก็คือพระโสดาวัน จำก่อนนั้นลงมาเป็นรางงามชายงามทางโลกีความบัญญัติว่าสวยลางงา ม, มก็บัญญัติต่างหากความบัญญัติว่าสิ่งที่ดีที่เลิศญญ ก, ก็บัญญัติต่างต่างกันแมลงวันก็บัญญัติมุดคูดเป็นสิ่งที่เลิศของเขาพระสุปฏิปันนุก็บัญญัติพระเนพานาเป็นสิ่งที่ประเสริฐของท่านจำก่อนนั้นลงมา ก็ประหยัดสมบัติสวรรค์สมบัติภ พ, รมรพมสมบัติเป็นที่ประเสริฐเป็นที่ปรารถนายอดของความผู้ปรารถนายชั้นสูงก็คือพระยิปานแต่ปฎถนารึไม่ปารถนามันก็ดิ่งลงอย่างนั้นทําไมมันจึงดิ่งลงอย่างนั้นก็เพราะมันสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วมันดิ่งลงเป็นเจ้าของใจวันโลกจะมีกี่ดานล้านมีกี่อสงไขยคอตาม แค่ว่างเพียงไหนก็นตา่างก็คือทุกเราดีๆนี่เองจะแคบยัดเยียดสักเพียงไหนก็นตา่างก็คือคือทุกเราดีๆนี่เองลกโลกไม่กว้างเพราะมันยัตเยียดกันแล้วเพราะทุกมันยัดเยียดกันแล้วเดียด๋ยวนี้ด้นโลกลงลงมาเท่าปลายเข็มยัดเยียดถึงขนาดนั้นละ่ะพร่อมกับลมหายใจเขาออกย่นสังขาร ล, ลงมาเท่ากับปลายเข็มพ่อมกับลมหายใจเขาออก ยัดเยียดถึงขนาดนั้นละ่ะผลลั์ของโลกโลดลงมาเป็นห อ, อกปลายน้ําเหลมเรายัางไรพ้นทุกข์เขาค่าๆคำว่านั่งอยู่ปลายห อ, อกปลายห อ, อกลำเลี่ยมยิ่งดิ้นก็ยิ่งเสียบยิ่งไปในทางไม่ถูกเห็นภายในวัจจตรงพย์สารคณะเดียวเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาด้วยไม่ต้องว่าปานาธิปากา เวรอยธรรมนี่สิกขาประธานสมาธิยามิไม่ต้องว่าก็ได้แต่จะตั้งอยู่นานหรือไม่นานมันเป็นเรื่องของเราอีกอ่ะยินดีในพระนานก็คือยินดีในมหาศีลยินดีในมหาสมาธิยินดีในมหาปัญญาก็คือยินดีในศีลสิกขาสิกขาคือศีลดิ่งก็คือยินดีอธิกิตะสิกขาสิกขาคือจิตยิ่ง ก็คือยินดีอธิปัญญาสิขาสิขาคือปัญญายิ่งผู้มีปัญญาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีและไม่ยินดีในสิ่งที่ควรไม่เปยินดีอันตรงกันข้ามและนับถือในสิ่งที่ควรนับถือและไม่นับถือในสิ่งที่ควรไม่นับถือและสโสเป็นโสตายกับสิ่งที่ควรสโสเป็นโสตายและไม่โสเป็นโสตายกับสิ่งที่ไม่ควรสโสเป็นโสตายโลกทั้งหลายบัญญัติหลายอย่าง กาโอคะโอคะคือกามกามก็เป็นโลกหน่อยหนึ่งพะโบคะโอคะคือพบพบก็เป็นโลกหน่อยหนึ่งทิทโขคะก็เป็นโลกหน่อยหนึ่งคือทิฏฐิความเห็นผิดอาวิชโชคะก็เป็นโลกอันหนึ่งคือความโง่ก็เป็นโลกอันหนึ่งโยคะสี่อาสวะสีเหมือนกันโยคะสี่ กายโยคะโยคะคือการภาวะโยคะโยคะคือพบทิฏโฉคะโยคะคือทิฏฐิอวิชยะโยคะโอคะโยค ะ, ยะคืออวิชฌามีความหมายอันเดียวกันใครพาให้ท่องเที่ยวในวัดตาสองศารก็คือความโง่พาท่องเที่ยวในวัดตาสองศาลใครพาให้หลงก็คือความโง่พาให้หลงก็คือความหลงพาให้หลง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 ในทางเห็นชอบเบื้องต้นแล้ววางทิ้งมดแล้วสิ่งห ย, ยาบๆนะั้ไม่เสียดายอยากจะขบคืนพระสกาทาคารีก็ทรงปัญญาอันละเอียดกว่านั้นศีลของท่านก็ละเอียดไปตามกันด้วยสมาธิก็ละเอียดไปตามกันด้วยเป็นกันขั้นไปส่วนพระอนาคามี ปัญญาของท่านก็สูงขึ้นไปกว่าพระโสดาวันสูงขึ้นไปกว่าพระกขาคาเนี้ศีลของท่านก็เหมือนกันสมาธิของท่านก็เหมือนกันตั้งมัน่นพวกต่ํากว่าสุบจิปันโนลงมาย่อมภาวนาหาลาบส่วนสุบจิปันโนขึ้นไปภาวนาเพื่อคนทุก์ในวัฏฏะสงสารลิ่งเลยพิารณากรรมฐานอันเดียวกันก็สูงถ้าจิตเป็นโลกีจะพิกขนา อันนี้จังทุครั้งอนันตาก็ตามก็เป็นโลคีอยู่ตามเดิมเพราะภาวนาหาราบถ้าภาวนาหาราบเราเป็นโลคีทั้งนั้นแหละบวชเพื่อหาราบก็เจตนาโลคีรักษาศีลเพื่อหาราบก็เป็นเจตนาโลคีให้ทานรักษาสีลภาวนาก็เหมือนกันแต่ออกจากโลคีก็จะเคลื่อนขึ้นไปโลคุตระเมื่อโลคีเต็มแล้วมันเต็มเองมัน พูที่เต็มโลกีแล้วมันก็เคลื่อนปรโลกตรละไมทำไมึงเต็มโลกีพระเห็นโลกีเต็มไปด้วยกองทุกเอือมละอา